เอาใครจักอะไรเอาเขาตั้งไมาแล้วเอาหนูจะถามหนูก็รู้ว่าหลวงตาก็จะต้องบอกว่าก็มันยังเป็นตัวเราแต่หนูอยากจะรู้ว่ามันจะนานแค่ไหนที่แบบคือคือตอนนี้ก็ยังเป็นสังขารอยู่ที่หลวงตาบอกว่าเหมือนเรื อ, อยังต้องใช้อยู่แต่ทีเนี้ยเราก็พยายามที่จะปล่อยวางแบบไม่เอาไม่เอาตัวเองไปเสวยอารมณ์นั้นอย่างเงี้ยค่ะ ก็พยายามรู้ละแล้วก็ปล่อยเร็วคือที่อยากรู้คือมันจะต้องเป็นอย่างเงี้ยไปนานไหมคะหลวงตาไหมมันก็มันก็หลงหลงคิดไปถึงคนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้ถึงอดีตเพ้อฝันไปนานนาคตรเปิดเปิดเจริญใจไปหลงไปคิดปรุงแต่งไปเรื่อยเนี่ยการดับแรกๆกับท่นต้นน่ะหลงคิดไปนาหลงคิดไปไกลไปในอดีต ชมไปในอดีตเพ้อฝันไปในอนาคตคิดถึงคนนั้นคิดถึงผัวคิดถึงลูกคิดถึงเรื่องอดีตที่จบแล้วจบแล้วไม่จบเล่นไม่เลิกเนี่ยอันเนี้ยคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงคนรักเก่าอะไรมั่วตัวไปหมดเนี่ยอันนี้เราก็รู้ท่าทันรู้ท่าทันเขารู้ทันเข้ามาอะไรก็ตามที่ผ่านไปแล้วมันก็กลับไปคิดเอามาคิดเพลินไปคิดถึงเรื่องเก่าๆคิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้ คิดถึงคนลักที่จากไปมันก็คีดไปเรื่อยอย่างเงี้ยเราก็รู้ท่าทานันรู้ต่าทันรู้ต่าทันก็สั้นลง ส, นสั้นลงสั้นลงมาเรื่อยเื่อทั้งโลกอะพอทั้งโลกมันรู้ท่าทันจนสั้นลงมาแล้วทั้งโลกเนี่ยรู้ต่อทันมันสั้นลงก็มาหาใจใจที่ไม่ปรุงแต่งแต่มันก็มันก็ยังปรุงแต่งอยู่นั่นแหละมาโลต่อทันปั๊บหลงต่อรู้ท่าทันปั๊บหลงต่อรู้ท่าทันปั๊บหลงต่ออยู่อย่างงี้ยนะเราก็เพียน เพี้ยนรู้ตัวทานมันอยู่อย่างงั้นแหละแต่เราเนี่ยดับมันไม่ได้เราจะไปกดข่มหัวมันไม่ให้มันคิดอย่างเงี้ยไม่ได้บังคับให้มันไม่คิดไม่ได้มันก็จะหลงคิดไปเงี้ยเราก็รู้ทัวทานมีมีหน้าที่รู้ตัวทานมีสติสติรู้ตัวทานสติรู้ตัวทานมีสติรู้ตัวทานรู้ตัวทานรูทานไปเรื่อยไปแต่เราจะไปรู้ตัวทานเราจะไปดัดกมันไม่คิดเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ผิดพลาดอันนี้อันนี้ไม่ถูกมันจะไปจะกดจิตเราก็รู้ทัวทานจักได้มัน สั้นเข้ามาสั้นเข้ามาส่วนสั้นเข้ามาจนกระทั่งสั้นเข้ามาจนกระทั่งมันมันเริ่มหลงน้อยลงหลงน้อยลงหลงน้อยลงหลงน้อยลงไปเรื่อยๆตอนนี้พอมันหลงน้อยลงแล้วใจมันก็เริ่มไม่ค่อยปรุงแต่งไว้ในทางโลกแล้วผมไม่ค่อยปรุงแต่งฟุ้งซ่านเป็นทางโลกตอนนี้มันก็ผมไม่ไปปรุงแต่งฟุ้งซ่านทั้งโลกแล้วมันก็จะปรุงแต่งที่หล่นค้นหาธรรมค้นหาพระนิพพาน ไอ้วงแตนดิลนค้นหาธรรมค้นหาวิถีพาเนี่ยมันก right. ็หลงอีกมันก็เป็นการหลงดิน์ลนปรุงแต่งค้นหาธรรมค้นหาวิถพาก็หลงแล้วก็รู take ้ต่านรู้ต่านรูตต่าทันอย่างเงี้ยเนี่ยรู้ต่อทันเหมือนรู้ต่านที่มันปรุงแต่งในโลกเนี่ยความหลงปรุงแต่งไปในดิน์ลนค้นหาในธรรมมันจะสั้นหลงสั้นหลงสั้นหลงสั้นหลงสั้นลงมาเข้าหาใจที่เริ่มไม่ปรุงแต่งคือใจที่มันปรุงแต่งไม่ได้ไม่ใช่ว่ามันนิ่งนะไม่ใช่ใจนิ่งใจเฉย เขามาหาใจที่ไม่ปรุงแต่งที่มันปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นมันเป็นวิสังขารหรืออสังขตธาตุปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นธรรมชาติทิของใจที่มันปรุงแต่งไม่ได้เป็นวิสังขารอสังขตธาตุหรือเป็นสุญญตาธ า, าตุเป็นธาตุที่เป็นผู้รู้ที่ว่างเปล่าเช่นเดียวกับกอมว่างของธรรมชาติจักรวาลพอถึงตรงนี้แล้วมันก็เริ่มเข้าหามันใกล้จะรู้นิพพานแนละ้วพอถึงตรงนี้แล้วก็ ใจนีมันเป็นความว่างเป็นความไม่ปรุงแต่งมันก็จะเห็นจิตที่มันคิดจุ๊กจุ๊กจุกจุ๊กไม่ยาวแล้วเพราะไม่หลงแล้วสติมันไม่ขาดเมื่อสติไม่ขาดมันก็จะเห็นความคิดในใจจุกจุ๊กุกจกุกุกจกุกกไม่กรณีนี้ไม่หลงแล้วไม่หลงเพราะเพลินเจริญใจไปสติไม่ขาดรู้ตัวอยู่แต่ความรู้ตัวเนี่ยมันพูดมันพูดอยู่ในใจคิดอะไรอยู่ในใจคิดจุกจุ๊กจุ๊กกคิดอยู่ตลอดเวลาเนี่ยตัวเนี้ยระดับม แต่ความหลงเนี่ยหลงที่มันหลงปรุงแต่งไปเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเรารู้ตัวทานค่อยๆดับไปได้แต่พอเรามีความรู้สึกตัวอยู่เราไม่หลงปรุงแต่งไปเนี่ยไอ้ที่มันคิดจุกจิกจุกจิกจุกจิกในใจเนี่ยมันเป็นขันธ์ห้าล้วนอันนี้ดับไม่ได้เป็นกิริยาการท้องขันธ์ห้าดับไม่ได้อคิดหนอยคิดหน่อจุกจุกจุกจุกุกเห็นอะไรก็วิภาควิจารณอตัวนี้มันไม่หลงแล้วแต่มันรู้ตัวอยู่แต่มันแม้แต่มันรู้ตัวอยู่เนี่ยแต่ตาเห็นอะไรมันก็วิพาควิจารณ์ วิเคราะห์วิจารวิจัยตึกต้องวิภาวิจารณ์เหมันพูดอยู่ในใจคนเดียวหูได้ยินเสียงอะไรมันก็วิเคราะห์วิจารณวิจัยมันพูดอยู่คนเดียวจมูกได้กลิ่นลิ้มรสกายสัมผัสอะไรก็วิเคราะห์วิจารณวิจัยวิภาวิจารณอยู่คนเดียวในใจบนอยู่คนเดียวพูดอยู่คนเดียวไอ้ตัวนี้เป็นเรื่องของขันหน้าแล้วถ้าเรารู้สึกตัวอยู่แต่มันก็ดับไม่ได้ไอ้ตัวที่มันพูดอยู่คนเดียวในใจเนี่ยดับไม่ได้แม้แต่ไปรู้อาการของใจเช่นโป่งโล่งเบาสบายนิ่งๆว่างๆไม่โป่งไม่โล่งไม่เบาไม่สบาย มันก็พูดได้มันก็คิดติดต่อมีพาพวิจันณ์คุณเงินคุงินคุณเงินคุณเงุณงอะไรแล้วได้ยินเสียงอะไรกับพูดตาเห็นอะไรกับพูดเนี่ยอย่างตามองเห็นลุงตาอยู่เนี่ยหูได้ยินเสียงลุงตาพูดอยู่เนี่ยมันก็มันก็คิดเรืในใจถ้าเรารู้สึกตัวตลอดเวลาว่าตาเห็นลุงตาอยู่เนี่ยหูก็รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาว่าได้ยินเสียงลุงตาพูดถ้าเราสังเกตดีๆในใจเราพูดไม่หยุด มันพูดนั้นพูดนี่พูดนั้นพูดนี้อันนี้มันเป็นขันห้าร่วนๆแหละในกรณีที่เราไม่ไม่หลงคือสติไม่ขาดมีความรู้สึกตัวอยู่คือตาก็มองเห็นอยู่หูก็ได้ยินอยู่กรณีอย่างเงี้ยถือว่าสติไม่ขาดมีความรู้สึกตัวอยู่แต่แม้เนมีความรู้สึกตัวอยู่เนี่ยตามองเห็นลงตาอยู่หูก็ได้ยินเสียงอยู่เนี่ยแต่ใจเนี่ยมันพูดไม่หยุดมันคิดติดตองวิพากวิจารณคิดพูดพูดพูดพูดเหมือนกับมันพูดอยู่คนเดียว่แข่งกับลงตาอยู่แน่เนี่ย เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเออใช่ใช่ใช่ใช ok ่หรือก็อยู่อยู่ก็ไปแต่ถ้าเรารู้สึกตัวนะแต่บางทีก็ไม่รู้สึกตัวพอพอฟังฟังเสร็จแล้วก็ความรู้สึกตัวก็หายแล้วก็หลงคิดอะไรไปแค่อันนี้เราก็รต้องรู้สึกตัวขึ้นมาฟังฟังอยู่เนี่ยตาก็มองเห็นอยู่หูก็ฟังแต่มันไม่ได้มันเหมือนไม่ได้ฟังก็สติขาดความรู้สึกตัวขาดก็หลงมือเพลินไปคิดอะไรละแต่ถ้าเราก็รู้สึกรู้ตัวทันมารู้ตัวทันมันจะกระทั้งมันรู้สึกตัวตาก็มองเห็นหูก็ได้ยินด้วยความรู้สึกตัวฟังก็ฟังก็รู้ชัดเจน มาพูดอะไรแต่ในใจอ่ะมันก็คิดวิเคราะห์วิจารวิจัยเนี่ยมันภาคมันภาคไม่หยุดพูดไม่หยุดแข็งไม่พูดอันนี้เระดับไม่ได้นะอันเนี้ยอันนี้เป็นขันธ์ห้าเราดับไม่ได้มันต้องตายซะก่อนแล้วค่อยดับแต่ถ้าเราเนี่ยยังไม่เข้าใจตัวเนี้ยเราตายแล้วมันก็ไปภาคต่อไปไปคิดต่อในร่างอื่นๆต่อไปเฉะนั้นเราก็ต้องเห็นมันอยู่อย่างนี้แน่รู้มันอยู่เขาบารู้เนี่ยไม่มีผู้ไปรู้มันหรอก คือมันมีแต่อกิริยาการของจิตเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเองมันพาก้นมาเองแล้วก็ดับไปเองพาควิเคราะห์วิจารวิจัยภาคขึ้นมาเองแล้วก็ดับไปเองภาคก้นมาเองแล้วก็ดับไปเองผู้ไปดูมันไม่มีไม่มีผู้ไปคอยดูไปรู้มันหรอกแต่เห็นว่าไอ้สิ่งเหล่าเนี้ยมันภาคขึ้นมาเองเดี๋ยวเราก็หลงว่าตัวเราไปภาคอแต่ถ้าเราตติแล้วเร็วขึ้นเรามีสติปัญญาที่เร็วขึ้นเราก็เห็นว่ามันคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองแต่เราไม่มี คือไอ้ความคิดปรุงแต่งขึ้นมาเองนะ่ะมันคิดกินปรุงแต่งขึ้นมาเองแต่คนเข้าไปเสวยไม่มีผู้เข้าไปเสวยผู้ก็ไปลองรับผู้เข้าไปยึดถือไม่มีแต่แล้วมันก็อดไม่ได้เนดะี๋ยวกบเราเนี่ยก็เข้าไปร่วมวงไพ่บุญกับมันไปร่วมคิดกับมันคือตัวเราเนะ่ยเข้าไปคิดกรณีเช่นนี้ไม่ได้ไม่ได้เป็นเหมเ่อเพลินนะคือไม่สติธรรมชยาตอเยียรู้อยู่ตัวอยู่เนี่ยแต่มันเป็นกรณีที่ว่าแม้แต่รู้ตัวเนี่ยแต่เราเนี่ยเข้าไปผสมลงกับความคิด ที่มันวิาพากวิจารอะไรอยู่ในใจก็คือคิดไปด้วยเลยคิดไปด้วยรู้ไปด้วยแต่ตัวเราเนี่ยเป็นตัวเข้าไปคิดเราคิดอะไรล้วก็รู้อยู่คิดอะไรก็รู้อยู่แต่ปรากฏว่าตัวเราเป็นคนเข้าไปคิดเราก็สังเกตมันให้ดีๆก็เห็นมันอยู่ว่าหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยกรณีที่ว่าเรามีสติรู้ตัวอยู่แต่มันก็ยังคิดอะไรอยู่ในใจแข่งกับลุงตาเนี่ยกําลังพูดอยู่เนี่ยเราก็ผสมลงกับความคิดนั่นไปด้วยเลยก็คิ ด, น, คดนั่นคิดนี่ไปด้วยเลย คิดวิาพวากษ์วิจารณ์คิดวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยคิดตึกตองในใจไปเลยเราก็ผสมลงไปแต่เราก็สังเกตดูดีแต่เราเนี่ยสังเกตหน้าตาที่มันผสมลงก็ไปร่วมกับความคิดเหล่านันเนี่ยเราสังเกตไปเรื่อยๆมันจะมีบางบางขณะที่มันมันมีความคิดขึ้นมาแต่ไม่มีเราเข้าไปผสมลงมันเป็นแต่ความคิดที่เกิดขึ้นเองแล้วก็ดับไปเองแต่เราไม่มีไอ้ตรงเนี้ยกายจะบรู้ที่พาแล้ว ในเราก็เพียนอย่างนี้เนี่ยเปียนฝึกเจากระทั่งความคิดมันคิดขึ้นมาจุ๊กจุกๆุ๊กๆุ๊กจุกจุกจใจทเป็นขันท้าที่ไม่ได้เป็นกรณีที่หลงขาดสติหลงแต่รู้ตัวอยู่แต่ก็จุกจุกจุ๊กจุกจุ๊ก๊แต่ไม่มีผู้เขาไปดูนะไม่มีผู้เข้าไปดูไปรู้มันมีแต่กิริยาการของจิตที่เกิดขึ้นผู้ดูรู้ผูรู้ไม่มีจุ๊กจุ๊กจุ๊กๆุ๊กอต่ยันแรกที่สติไม่ขาดเนี่ยมันจะเราก็จะเข้าไปร่วมกับความคิิดจจจจุกกกกๆัันนนนนรระท่่่งเเเเหห็็ืออยย้ี รู้ตัวเลยรู้ตัวว่าเนี่ยแล้วก็ไปผสมลงมันมีลักษณะที่เราอะมันเหม่า น, น้อยๆอยู่ในนั้นน่ยเม่าเข้าไปเผลอเข้าไปผสมลงแล้วก็ไม่หลงแต่มันหลงยังหลงอยู่เล็กๆน้อยๆคือมันละเอียดมากเลยหลงก็เผลอเข้าไปรวมผสมลงกับความคิดเราก็ดูจนกระทั่งมันไม่ได้เผลอหลงไปไกลแต่เราเหมือนมีสติธรรมะทันเยอะสมบูรบริบูรณ์อยู่เนี่ยแต่ก็มองเห็นหูว่าฟังชัดเจนแต่มันก็เผลอ เผลอน้อยๆจะละเอียดละเอียดมากเลยเจ้านุ่มแบบว่ามันเผลอก็ไปร่วมร่วมคิดคิดตึกตองอะไรอะไรในใจผสมลงอยู่เราก็เห็นมันเนี่ยรู้ท่อทานมันว่าเนี่ยกรณีอย่างเงี้ยหน้าตามันเป็นอย่างเงี้ยหลงเผลอก็ไปร่วมผสมหลงแล้วเจ้กระทั่งเห็นมันอยู่เรื่อยๆทันมันอยู่ทั้งหมดว่าเผลอก็ไปร่วมผสมลงไปอย่างเงี้ยพอเรามีสติสมบูรณ์จริงๆไปเรื่อยๆเยมันก็จะพอเรารู้ท่าทานความหลง ไปผสมลงเนี่ยร ล, ล, ละเอียดเข้าเท่าไหร่มันผสมลงรละเอียดเขาเท่าไหร่แล้วรู้ทันมันหมดเห็นมันหมดเนี่ยมันก็จะเข้ามาหาใจที่ไม่ปรุงแต่งเข้ามาหาใจที่ไม่ปรุงแต่งคือไม่มีกิยาการรมเป็นผู้ไปดูไปรู้แต่มันใน ใ, นใจเนี่ยมันเห็นแต่ว่ามันรู้แต่ว่ามีมีความคิด ต, ตั้งตอวเกิดขึ้นมีกิยาการต่างๆเกิดขึ้น ใ, นในใจแต่ไม่มีใครไปเสวยไม่มีใครไปรองรับตอนที่มันสิ <im it> <im it> ้นผู้เสวยสิ้นผู้รองรับเนี่ยต้องตาว่าตรงเนี้ย มันสิ้นผู้สเวสวยที่บูรองรับก็สิ้นกิเลสกันหาไม่มีผู้สเสวยไม่มีผู้รองรับก็สิ้นทุกบรุลพันิพานไปพ้นทุกุลพันิพานไปเนี่ยเราก็ต้องอ่านใจแล้วขาดว่าเราอยู่ขั้นตอนไหนเราก็ฝึกเข้าแล้วทีนี้ถามนอกนอกจากเมื่อกี้นิดนึงค่ะหลวงตาคือถ้าถ้าสมมติบรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งไปแล้วเนี่ยยังมีความหลงไหมคะหลงมัน ถ, ถ้าสมมติว่าบรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งคือได้สดาบานจริงต้องหลงอีตั้ง อีกสาส่วนหรือเจ็ดสิบห้ายังมีใช่ไหมคะหลงเจ็ดิบ้าเปอร์ซ็นต์แสดงว่าหนูว่าเข้าใจถูกหนูว่ายังต้องหลงอยู่หลงถ้าก็คือรู้ตามตัวดาบันเนี่ยมัก็ได้แค่หนึ่งส่วนอีกสามส่วนหลงอยู่หรือว่าสมถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็มันก็ได้หลงอีกเจ็ดิบ้าเอร์เซ็ตแต่ยี่บ้าเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็ไม่มันก็ไม่หลงถ้าตกิตาคามีก็มันห้าสิบหรือครึ่งหนึ่งหลงอีกครึ่งหนึ่ง ถ้าอนาคามีก็เจ็ดสิบห้ารู้แล้วเจ็ดสิบห้ายังหลงอีกย5ิบห้าหรือว่ารู้แล้วสามส่วนหลงอีกหนึ่งส่วนอหรหันต์นี้สิสิ้นหลงเลยร้อยเปอร์เซ็นต